เรื่องห้ามฉันทางปากสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้ลงนธนกกรรมคือห้ามฉันอาหารทางปากมนุษย์ทั้งหลายต้มน้ํายา ค, บาคาูบ้างทําสังคพัดบ้างนิมนต์พวกสมณเณรว่าจงมาดื่มยาคูเถิดขอรับจงมาฉันพัฒหารเถิดขอรับพวกสมณเณรกล่าวว่าพวกกัตมาทําอย่างนั้นไม่ได้ดอกโยมเพราะภิกษุทั้งหลายได้ลงนธนกกรรมห้ามไว้มนุษย์ทั้งหลายพากันตําหนิประนาม โอนธนาว่าชนัยพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงได้ลงนธนกรรมห้ามฉันอาหารทางปากเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงลงนธนกรรมห้ามฉันอาหารทางปากรูปใดลงต้องอาบัติทุกกฎทันทกรร ม, มวัตถุจบ